แล้วทั้งทั้งหลายก็ให้พร้อมผู้นอนอยู่ก็ให้ตื่นลุกขึ้นห่วงเหงาเหานอนก็ห้ามห่วงเหงาเหงานอนทำจิตใจให้ชื่นบานแล้วอย่าลืมว่าให้ภากัร น, นั่งขัดสมาธิเพศก่อนถ้าว่าไปตั้งนโมพุถังไปแล้วก็ไม่ไม่เห็น แล้วก็ไม่ได้นั่งให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวากนเอาทำเลยทำเลยนั่งนั่งทุกคนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวากนไม่ต้องดูคนอื่นดูตัวเราเองไม่ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องหัวลอก เอาขาซ้ายขึ้นมาทับก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาม น, นขาขวาขึ้นมาแ ล, แล้วให้เปลี่ยนจากการนั่งทับเทียตให้นั่งขัดสมาเทศเตือนยังไม่เสร็จก็ให้เียนั่ง นั่งแล้วก็ให้หลับตาไม่ต้องดูหลวงปู่หลวงปูง่ไม่ไปไหนนั่งอยู่นี่แหละเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลับตาหลับตาเน่เพื่อไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านเกาะทางตาหลับตาแล้วก้องนับปาก ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องพูดกันตั้งตัวตั้งกายให้ตรงคืว่าให้เราตั้งใจของเราให้ดีการนั่งสมาธินี้เรียกว่าแสดงความองอาจกลาหารไม่ให้จิตใจทอแพ่อ่อนแอ กลวัวความเน็ดความเหนื่อยเมืยหิวเจ็บปวดทุกทเวธนาข้ามให้พ้นแล้วก็รวมจิตรวมใจของเราเข้าไปภายในไม่ให้จิตใจคิดไปภายนอกจะมีความห่วงอะไรอยู่ในบ้านเรือนของเราก็ตามเวลานี้เป็นเวลาตักให้มันขาด ใครจะเป็นใครจะตายอยู่บ้านช่งมันให้เรานึกถึงคุณกระพุทธิเจ้าพุโทโธธรรมโมสังโฆ ท, ทั้งสามองค์เนี่ยแหละรวมเข้ามาพุโทโธคำเดียวทุกลมหายใจเข้าออก <c oughs> แต่ว่าวันนี้ จะได้สอนมรณะกรรมฐานให้เราท่านทั้งหลายระลึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าจะแช่งให้เราตายง่ายความตายนั้นมีเหตุการณ์ต่างหาก แม่จะไม่เทศเรื่องตายคนมันก็ตายอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่เราไม่คิดไม่อ่านก็เลยเข้าใจว่าความตายนั้นมันอยู่ห่างไกลตัวเราออกไปความจริงมันไม่เดกไกลมันเป็นได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องเจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆก็ตายได้ บาลีที่จะต้องนึกมีคนว่ามารณังเมภาวิสติมารณังเมพวิสติอันนี้เป็นภาษาบาลีให้เรานึกเป็นคำบริกรรมแทนพุทโธกานเนเอามารณังเมภาวิสติเป็นอุบายภาวนา คำว่ามรณะมรนางหมายถึงว่าความตายคนเราและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นผลที่สุดหนีไม่พ้นเมก็หมายถึงเราตัวเรานี่แหละรูปปัะขันร่างกายที่เราเรียกว่าหญิงชายก้อนธาตุนี้ ันที่สดแกหรือไม่แกเด็กหนุ่มแกอะไรก็เมื่อถึงเวลาแล้วตายแน่ๆใครจะแก้ไขยอย่างไรไม่ได้แต่ที่เราเจ็บไข้ใดป่วยเล็กๆ น, น้อยๆหายมาอันนี้คือว่ายังไม่ถึงเวลาถ้ามันถึงเวลาจริงๆแล้ว นั่งอยู่ดีกก็ตายได้นอนหลับสบายอยู่ก็ตายได้บางคนเราเคยเห็นไม่ใช่หรือเมื่อยังไม่นอนก็พูดจาปราศัยอะไรไม่มีผิดปกติเวลาหลับไหลไปแล้วตื่นเช้า ไม่รู้ว่าตายแต่เมื่อไรแข็งโดหมดนี่อย่างนี้ก็มีมรณะกรรมฐานนี้ไม่ใช่หลวงปู่เป็นผู้เทศพระพุทธเจ้าเป็นผู้เทศไว้ก่อนแล้ว <c oughs> คือวันหนึ่งเวลาพระพุทธองค์โยในวิหาร มีพระอานุ์พุทธะอุปัปทากนั่งอยู่ใกล้ๆพระพุทธองค์ขั้นกว่าตรัสแก่พระอานนุ์พุทธะอปปทาสว่าดูกรอ น, อนุนวันหนึ่งคืนหนึง่งอานุ์ได้นึกถึงความตายวันละอีกครั้งท่านพระอานนุ์ก็ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์ เนกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ยอมพระอานนท์ว่าอันวันหนึ่งคืนหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์คล้อมโดยพุทธบริษัทครั้งสี่ พิโสุนปอุบาตโขบาชิกาให้ภากันนึกถึงความตายที่จะมาถึงตอนทุกคพนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าให้ได้ทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าไม่ประมาท้ายังนับได้อยู่แล้วว่ายังประมาทอยู่ กลองนี่แหละที่เรามักจะคิดในใจว่าทำไมหนอเราฟังเทศฟังธรรมฟังค ำ, งคำสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กจนแกชลาจึงไม่ค่อยได้บรรลุมรรคผลนิทานก็คือความประมาทนี่แหละไม่ได้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ด้วยเหตุนี้ให้เราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทำไมท่านจึงตรับอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเราไม่ว่าจะตายด้วยเหตุการณ์ใดๆก็ตามมนุษย์เขาต้องดูที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละ ถ้าคนนั้นร่างกายจะนิ่งแน่ไปแล้วก็ตามถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ยังไม่เรียกว่าตกยังไม่เรียกว่าตายแต่ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เงียบหายไปเทีน้ก็ให้ชื่อว่าตายและ ออกมาแล้วเข้าไปไม่ได้ก็ตายเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายให้ทุกขอนรึกได้ว่าอันความตายนี้เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ตอนนี้ไปเราจะไม่ประมาทว่าเรายังเด็กยังนุมอยู่ไม่ได้ทั้งนั้น เด็กด็ ก, ก็ตายได้คนนมแข็งแรงก็ตายได้ยิ่งคนแก่คนชรายิ่งตายเร็วแะ น, นั้นเวลานี้เรายาได้ประมาทตั้งใจรวมใจจิตใจเราเข้าไปภายในเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตการล่วงมาแล้วดีก็ตามชั่วก็ตาม ไม่ให้เก็บมาคิดนึกในเวลานี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ให้นึกถึงว่าความตายไม่เฉพาะแต่ตัวเราตายเท่านั้นคนอื่นสัตว์อื่นก็ตายได้เหมือนๆกันฉะนั้นตอนนี้ไปเราจะไม่ประมาทจะตั้งใจ รวบรวมกำลังจิตใจให้สามารถอาถานทํทำใจของตนให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นพสุธานาแผ่นดินอย่างว่าระยะนี้เป็นระยะหรือดูร้อนความร้อนอบเอ้าเข้ามาถึงร่างกายก็ไม่ให้จิตใจไปข้องแวะยึดว่าตัวเราร้อน โรกประขรนล่างกายเขาร้อนตั้งหากช่างมันเถิดเวลาร้อนมันก็ยังมีลมมาพัดให้ดีขนาดไหนเล่าอย่าไปบ่นว่าร้อนไม่ดีร้อนก็เป็นบทสอนใจของเราอย่างหนึ่งคือในโลกมนุษย์นี้เขามีร้อนอย่างนี้แหละเมื่อถึงเรือดูร้อน เมื่อถึงฤดูหนาวที่เราผ่านมาก็หนาวอย่างนี้แหละเราผ่านไปไม่ได้เมื่อถึงฤดูหนาวก็หนาวถึงฤดูร้อนก็ร้อนถึงฤดูฝนก็ฝนเปียกให้เตือนว่ามราณงเมภาวิสติความตายนี้ไม่เลือกว่าฤดูร้อน ถามใจของเราดูว่าคนเราละดร้อนตายได้ไหมตายได้ทุกลมหายใจเลอดหนาวแล้วคนเราตายได้ไหมตายได้เหมือนกันเลอดูฝนแล้วเลอดูฝนก็ตายได้เหมือนกันดูละโดฝนนี่คนเราจะตายมากเสียด้วยเพาะอะไร เพราะว่าฤดูฝนนั้นอาหารการบริโภคของคนเราฤดูฝนมันชักจะมากไปหน่อยยอดไมเ้เถาวันบูปาอะไรในฤดูฝนมันก็มากไปหน่อยที่นี่เจ้าโลภะในจิตนี้กินไม่มีประมาณเลยตายง่าย มารณังเมพวิสติยาได้ลืมเจบเราให้นึกโยยาได้ประมาทเราจะนั่งภาวนาภาวนามานณังเมพวิสติอยู่ตลอดเวลานั่งก็แบบไหนก็ตามโดยเฉพาะเวลาเรานั่งขัดสมาธิแ็สนี้ ยิ่งตั้งจิตตั้งใจะระลึกอยู่ในมรณ ะ, ะเมภาวิสติหรือนึกเป็นภาษาไทยไทยเราว่าเราตายนะตายตา ย, ตายทุกลมหายใจเข้าออกมันอยากได้อยากดีอยากเป็นอะไรเกินความจำเป็นเกินที่จะได้จะถึงก็ให้นึกถึงในใจของตัวเองเองเองตือนใจว่า เราได้อย่างนั้นมาแล้วมันไม่ตายหรือหรือตายได้มันตายได้เหมือนกันเกลดใจที่มันกรอให้คนโน้นคนนีนะ้เมื่อความตายมาถึงเขา้ามันก็ตายได้เหมือนกันเแลมาลนะภัย ค, คือความตายนี้เราอยาได้ประมาท มหาพุทธบริษัททั้งหลายนึกได้ซึ่งความตายนี้วานั่งอยู่ก็ตายได้นอนอยู่ก็ตายได้ยืนอยู่ก็ตายได้ความตายนี้ไม่ได้เลือกนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมดาสามัญคนทั่วไปจนถึงคนทุกไร้อนาถา สมณะชีพรามพระพิกษุสองสามมันเด่นผ้าขาวนางชีลือถีตายทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาต้องตายแน่แน่เมื่อเรานึกจะเล่นอยู่จิตใจเรายังประมาทอยู่ก็ให้นึกถึงว่าตัวเรานี้เกิดมามีวิดามานดาผู้บังเกิดเกล้า มีพี่น้องร่วมท้องกันกี่คนแล้วคนอื่นเขาตายไปมีไหมญาติกาวงศาคนเราที่เกิดในท้องแม่อันเดียวมีเยอะแยะนับไม่ถ้วนนน่และคนอื่นเขาตายไปตายไปทุกคนญาติพี่น้องที่ตายไปเป็นธรรมะ เตือนจิตใจของเราให้ตั้งใจบำเพ็ญฐานรักษาศีลภาวนาไม่ให้ทอดท้ยเพราะว่ามรณ ะ, ะความตายนี้ไม่ได้เป็นพี่น้องใครได้เวลาถึงเวลาแล้วมันเข้นฆ่าไปให้ตายได้จริงๆหรือว่าวิดามาันดาปูยาตายายของเราในเวลานี้ ยังมีครอบครัวทุกคู่คนอยู่หรือก็จะมีผู้ที่ตายไปบางคนพ่อแม่ก็ยังอยู่ก็มีลูกตายไปก่อนก็มีบางคนพ่อแม่ตายไปหมดแล้วปูย่าตาทวดยิ่งลายตายแต่เมื่อไรไม่รู้ จนพวกเราที่เป็นลูกหลานจําหน้าตาของปู่ยา่าตาทวดไม่ได้เลยเพราะเขาตายไปก่อนแล้วเนเมาลานะภะไคคือความตายเป็นของจริงจริงหรือไม่จริงให้เราเิดะะนิจพิจารณาในใจของเราขณะ น, นี้ให้น้อมเลกลําเลิกถึงว่ามาลานะภัยคือความตายนี่หนีไม่ทนัน เมื่อหนีไม่พ้นแล้วเราจะหนีไปที่ไหนไม่ต้องหนีไปที่ไหนแลว้วหนีเข้ามาภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกว่ามรณะนะมละนังความตายตายได้ทุกเวลานั่งอยู่ก็ตายได้นอนอยู่ก็ตายได้ยืนอยู่ก็ตายได้ เดินไปมาที่ไหนยังดีๆอยู่เวลามันจะตายขึ้นมาเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาหรือเส้นโลหิตในสมองแตกเมื่อใดเวลาใดก็ตายได้ทั้งนั้นจงเนืกเก้อ่วนเจตเตือนใจผู้รู้อยู่ภายในนี้ให้รู้สึกสำนึกตัวว่ามรณะเมภาวิตติเราต้องตายแน่ๆ จะไปแก้ว่าเราไม่ยอมตายแม่พญามัจจุราชมาเราจะต่อสู้ด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์ด้วยธรรมะธ ร, รมโมอะไรมันสู้ไม่ได้ทางนั้นแม่เราไปหาครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาก็ถามว่ามียาปวดหัวปวดหลังปวดเอวไหมหลวงปู่หลวงตา ก, ก็ไม่ต้องไปถามถามก็แก้ไม่ได้ แกได้ที่าภาวนามรณงเมพาวิจเตติเห็นว่าความตายมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาโดยลำดับลำดับอย่าเข้าใจว่าเราไกลห่ า, หางไกลต่อความตายวันหนึ่งล่วงไปก็คือว่าหมดไปสิ้นไปอายุของเรานั้นคืนหนึ่งผ่านพ้นไปอายุของเราก็หมดไปคืนหนึ่ง ใช่ต่อมาลานะใคยคือความตายอย่างนี้อย่าได้ประมาทคนอื่นผู้อื่นเขากระมาตมัวไม่ชะมัมมวเมาเถาจิตใจของเราอย่าได้ประมาท <c oughs> จงเป็นผู้นึกให้ได้จเจริญให้ได้ว่ามาลรนังเมภาวิสติเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เราต้องตายแน่ ดูคนเราในสมัยนี้นั่นอายุกี่ปีกี่เดือนบางคนเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีสิบปีก็ตายได้ยี่สิบปีก็ตายได้สามสิบปีก็ตายได้สี่สิบปีก็ตายได้ห้าสิบปียิ่งครึ่งร้อยแล้ว อะไรอะไรก็ตายด้านไปโดยลำดับลาดับธรรมดากิเลสไม่ได้นึกถึงความตายอายุมากเท่าไรความโกรก็มากเท่านั้นความโลภความอยากได้ก็มากขึ้นไปอันนี้แล้ยว่าคนไม่ภาวนาละกิเลส ถ้าผู้ภาวานาละกีเลสแล้วอายุลอยปีก็เรียกว่าเตือนจิตเตือนใจของตอนให้ลุกขึ้นภาวานาแล้ว <c oughs> ว่ามรณะนะภัยคือความตายเขายกเว้นมาครึ่งร้อยแล้วเรายังจะมาห่วงลูกห่วงหลานห่วงกินห่วงนอนห่วงเล่นสนุกเอหาไปถึงไหนหกสิบปีก็ตายได้ บางคนไม่ถึงหกสิบปีก็ตายแล้วเจ็ดสิบปีก็ตายได้ยังไม่ถึงเจ็ดสิบปีก็ตายก็มีแปดสิบปีก็ตายได้ยังไม่ถึงแปดสิบปีก็ตายได้เก้าสิบปีก็ตายได้เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดก็ตายได้ร้อยปียิ่งตายเร็วฉะนั้นยาได้ประมาท แม่พระท่านให้ศีลให้พรท่านก็ให้ว่าให้อายุญาติโยมได้ร้อยปีนะยังไม่ถึงร้อยปีอย่าเพื่อแตกอย่าเพื่อตายพยามัจจุราชคือความตายมันก็ไม่ฟังได้เวลาตายมันก็ตายทั้งนั้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายอย่าได้พากันประมาทมัวเมาจองละลึกถึงมรณะภัย คือความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเขา้าทุกลมหายใจออกพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตัดไว้ว่าอันเราตถาคตมลนาภัยคือความตายนี่พระองค์นึกได้จเจริญได้เตือนใจของพระองค์ได้ทุกลมหายใจเขา้าว่าเราตถาคตตายได้ทุกลมหายใจเข้าไป ลมหายใจออกมาเราตถาคตก็ตายได้ทุกลมหายใจออกมาแม้เราท่านทั้งหลายยังไม่ได้น้นทุกข์ยในโลกในวัฏสงสารยิ่งจะต้องนึกถึงมรณะภัยคือความตายนี่ห้มากกว่าประพุทธเจ้าเข้าไป แล้วจิตใจเราจะไม่เป็นคนประมาทมัวเมาทุกขณะทุกเวลาจะเป็นคนตั้งกายตั้งใจประพฤติคุณงามความดีรักษาจิตใจของตองให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแม่ความแ็ดเหนื่อยเมื่อหิวจะบังเกิดมีขึ้นในลูกนมกายใจของเราก็อย่าไปยึดถือเอา หรือบางคนนั้นทานนั่งสมาธิภาวนานิดๆในน้อยก็ว่าไอ้นน้นก็ไม่สบายไอ้นี่ก็ไม่สบายขัดนั้นขัดนี้เพราะเหตุนั้นเหตุนี้อันนี้เรียกว่าจิตใจของคนเหานี้ท่านแบ่งภากไว้เป็นสองอย่าง อย่างหนึ่งคือคคอว่าเจ็ตใจบำเพ็ญทานหลักศาส น, นาภาวนาปฏิบัติบูชามุ่งหวังความพ้นทุกข์ในวัฏสงสา ร, ร, รเรียกว่าจิตใจเป็นบุญทตเนี่จิตใจอีกดวงหนึ่งเป็นใจมารใจสังขารใจกิเลสลาคะใจกิเลสโทสะใจกิเลสตัณหานี่ไม่รู้สึกตัว มากจะคิดไปปรุงไปแต่งไปว่าเรายังอยู่ดีสบายอยู่เสมอบางคนแก่ชราแล้วจิตใจก็ยังไม่แก่ยังสำคัญคิดคิดว่าเรายังไม่แก่อยู่ตลอดเวลาคันเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าแทนที่จะนึกถึงว่า เอมาละนะความตายมันใกล้มาเป็นเทวทูดทูดเทวดามาบอกแล้วปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายแต่ไม่สอนคิดพุ่งซานไปอย่างอื่นจะหาทางแก้คันเจ็บมานิดหน่อยกาเข้าโรงพยาบาลเข้าใจว่าเข้าไปโรงพยาบาลแล้วหมอจะรักษาได้ บางคนมันแทนที่เข้าไปแล้วจะได้ออกมาเลยไม่เด็ออกมาไปลรงพยาบาลก็เลยไปปาทาทีเดียวก็มีนี่แหละเราท่านทั้งหลายอย่าพากันประมาทเดี๋ยวนี้เราตั้งอยู่ในความประมาทความประมาทนั้นถ้าใครไม่นึกมองเห็นมรณะภายความตายทุกลงหายใจเข้าออกแล้ว ประมา ท, ทุกคนไปทั้งผู้เทศและผู้ฟังถ้าหลงลืมเมื่อใดเวลาใดก็เรียกว่าเป็นผู้ประมาทพระสารประดานจำสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ไม่ประมาทมัวเมาพระองค์นึกได้เตือนใจของพระองค์อยู่เสมอว่ามรณ ะ, ะไัยคือความตายนี้หนีไม่พ้นแน่ พอถึงวัยแก่วัยชราอายุสังขารของกระองค์ได้แปดสิบบริบูรณ์ก็อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้แลว้วดับขันเข้าู่นรุภานแม้จะอยู่ต่อไปก็โดยความลำบากถ้าเลยแปดสิบปีไปแลว้วมักจะล้มลุกคุกขานอะไรต่อมีอะไรมีมากมายหลายอย่างหลายประการ ขึงตัวเองไม่ได้ยืนขึ้นก็ล้มเป็นลมลง ม, มา ก, ก็มีนี่แหละได้แปดสิบปีก็ตายได้เก้าสิบปีก็ตายได้ร้อยปีก็ตายได้ร้อยยี่สิบปีก็ไม่พ้นจากความตายเมื่อไม่พ้นอย่างนี้จะให้พ้นอย่างไรพ้นด้วยการมากําหนดพิจรรนามรณะนะใครคือความตายนี้ ให้แจ้งในจิตในใจของเราให้แจ้งในตาตาได้เห็นคนตายสัตว์ตายที่ไหนก็ให้เอามาเตือนใจของเราในเวลาเดี๋ยวนี้ขณะนี้หรือในเวลาที่เราเห็นนั้นว่านี่สัตว์อื่นคนอื่นเขาตายนั้นไม่ใช่แต่ตายคนอื่นหนาะตัวเราผนที่สดก็ต้องตายเหมือนเขา เดี๋ยวนี้เราได้ภาวานาทําใจให้แตงบประงับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวานาแล้วหรื อ, อยังถ้าหาว่ายังไม่ทําจิตทําใจแล้วจะไม่นิ่งดอนใจไม่ได้จะไปรอให้ลูกคนนั้นใหญ่เสียก่อนเรียนหนังสือจบเสียก่อนให้มีเย้าเรือนเสียก่อนไม่ไหวต้องภาวานาในใจว่า ความตายมันไม่ได้ว่าอย่างเราเมื่อถึงเวลาแล้วมันตายแน่ๆเหมือนกาปั้นทุบดินแคนั้นเราจะมามัวมาเข้าใจผ็ดคิดหลงว่าเรายังไม่ตายถ้าพอกันเข้าก็ว่าสบายดีหรือก็ตอบกันว่าสบายดีอยู่แต่ความจริงภายในร่างกายสังขารของคนเหล่านั้น ไม่ใช่มันสบายเลยเจ็บปวดทุกขเวทนาเล็กๆในน้อยมันมีอยู่เสมอเสมอแต่ว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าสบายดีสบายดีอย่างไรไม่สบายเลยก็ดูนั่งนั่ๆ น, น, นอยก็เจ็บปวดทุกขเวทนาเกิดโครคไัยไข้เจ็บขึ้นมาแล้ว ยำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปมายืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างนี่ก็คือว่าร่างกายสังขารมันไม่สบายทําไมเราบริโภคอาหารวันหนึ่งหลายเวลาก็เพราะว่าโรคไข้ไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารตัวตนตงเรานั่นเอง ถ้าเราจะมาเยียวยาพยาบาลให้ความสุขความสบายในรูปร่างกายแล้วไม่ไม่เพียงพอสักทีพระพุทธเจ้าท่า น, นเอาความสุขสงบลั ง, งับในหัวใจคือให้ใจภาวนา น, นึกถึงมะนะครณะใจคือความตายให้ได้ เอาจนก่อนความตายจะมาถึงให้เราเริ่มละกิเลสความโกรธในใจให้หมดไปสิ้นไปเลิกละกิเลสความโลภความลาภปัญหาในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปให้ใจของเรามีความเขียนความมันความขยันเพิ่มเติมขึ้นไปทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปี เป็นผู้มีสติมีสติปัฏฐานอยู่ในใจเมื่อมีสติปัฏฐานอยู่ในใจเป็นมหาสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติยืนก็มีสติเดินก็มีสติทำอะไรทุกอย่างมีสติอยู่ทุกเวลาทุกลองหายใจแล้วก็เตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกตัวว่ามลณะ มล น, นังความตายนี้ไม่ว่าใครใครจะไปอวดดีกับพยามัจจุราชคือความตายไม่ได้ท้งนั้นอันนี้เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วแม้จะได้น้อยมากประการใดก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติ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 เรามีความมุ่งมา่ตาทนาอันใดไว้ในจิตในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งมา่นตาทนานั้ น, นฉะนั้นโนบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทางหลายภากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ เอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตปวัตวัรตราโยสุขีเทคายุโกภวะอภีวาธนาสีริสนิจังุทธาปัญิโน ยัตตารโรธรมาวทันติอายุวันโนโสขังสาลา